ธรรมเทศนาการนี้ท่านพระอาจารย์มหาบุวญาณสัมปันโนแสดงโกรธนณัตถาที่มาจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่21มกราคม25งพนห้ณวัดป่าม่านตาจังหวัดบุรีรัมย์ทานนี้จะมีความภาคภูมใจด้วยซ้ ท่านักปฏิบัติทั้งหลัตา่างก็งานด้ความเฉลียวฉลาดมุ่นทอดเพื่อการการประกอัปอุ่มและแก้ไขกลุ่แม่ตะกลร้จงไกรก่น่ ที่ผิวจความยากความยังหนและยิ้นเปลี่ยนไปด้แม้ชีวิตจิตใจในขนาดที่มาก็ต้องยอมขสีมาลักอาจจจบจะตายด้วยอุบัติเหตุอัตายใดๆคอยยอมขสลักเครือบุคาพระธรรมไตรมีการเทว เป็นุณมิปัญญาศรักธาข้าหารหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่เป็นมือไม่แว่ดังนั้นเป็นสำคัญควาสิ่งทั้งหลายที่กาผ่านมาเพราะนั้นเรื่องความลำบากการอิ่นเปืองและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สารหนากับเป็นอุปสรร ขีดขวางการมาของคำต่างๆได้เพราะอำนาจของศรัทธาความเพียรหมายในหลักธรรมของคุปติกาลนี้เป็นสิ่งที่มีกำลังกล้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้น เาทั้งหลายขึ้นเป็นมกขวบที่ปรา ก, กฏอยู่ในที่มีก่ก็ดีหรือปรา ก, กฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านผู้ใดสลัเพศความเป็นคลราวาทิ้โลกเสียนว่างเป็นของมีถึงอ้า่าาาา้า่้า่้า่้า่า่้า่้าา่้า่ ยิ่งเป็นของเล่าคุณค่าในส่วนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนถ้าเพศของคุณเป็นเพศที่ละดทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของหนาเองก็ยังจำเป็นอย่งยิ่งเพื่อคื้นที่ต่อความเพียร ซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระถูะ้มีพระภาคเ่ะในทั้งหลายจึงมีเปลี่ยนผ่าเทศ่ซึ่งเป็นเพราะว่าความเป็นแมงโนรักยิ่งนั้นเข้ามาสิเทื่รมอันารย์เจรละทิฏฐิมานะละความเมงเหนความห้องเห็นซึ่งเป็น ธรรมชาติฝังภายในจิตใจทั้งหลายมาเป็นเวลานาให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในเบงต้นเมืการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำดับต่านี่คือว่าถือตามเยื่ออย่างขององค์สมเด็จพระผูมีพระภาคจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านไม่พาดำเนินมาอย่างนิ่ง หากเรกาบศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำรุงตามแขทธรรมคำสงสอรของพระพุทธิจ้มากขึ้นเท่าไรจากท่านพุทธศาส น, นิกชนทั้งอุบาสกุบาสิกาทั้งนักบวชเป็นพระเป็นปี มีจำนวนมากและเป็นผู้ผู้สนใจมาก่าเท่าไหร่สาชนะคาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะได้เรินรุน่งเืองโลกทั้งหลายก็จะมีความเื่มเย็นเป็นสุดไม่เกิดความเดืยดร้อนพระห่างเหิน จ, จากธรรมะอันเป็นความเร่มเย็นอย่างยิ่ง เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นค่าสิทธิ์ต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนหนึ่งและสามารถจะให้ความดมเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่เป็นปฏิบั ต, ติต้ามากน้อยเท่าไหร่ผล ท, ที่จะทึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมากคารวาเปรตพรบ นักป่ดยของเรายอมใจรับความเล่มนเย็นเป็นทุ่เพราะเื่อนใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะิตความผิดพลาดของการทำการพูดการจิต ข, ของตนอยู่เสมอแต่ละท่านละท่านถ้ามีความสนใจใครต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าวงงานมไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกวา้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเปาะเาแบงซึ่งกันในกันก็ลดดันลงไปทป็นหบบเนี้ยอาจที่ลกอนก็นับวันจะลดน้อยลงไป ถ้าต่างฝ่ายต่างได้มีความเส้นใจต่อหลธรรมของปฏิปทาคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสรีมงคลแก่ตนและเป็นสง่าราศีจากประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีจากพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนื้อสิ่นใดๆในโลกนี้ด้วย แต่เป็นธรรมดาของจดิติีิสัยที่ท่านกล่าลวไว้แล้วว่านานาจิตตังแน่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นไห้ทุกแห่งทุกผนก็าตามแต่สถานที่หรือชุมชนหนึ่งๆครอบครัวหนึ่งงอย่างน้อยก็ขออยากให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลัก ของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นนั้นก็ให้เป็นไม้เท้าหลักัยสำหรับผูที่ไม่สามารถจะไปพุตธปฏิบัติตนให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านผู้นั้นได้ยึดเห น, นี่ยวเป็นหลักใจคร้อยตามท่านผู้นั้นโลกก็ยังมีหวังจะมีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้นักแน่นต่อสีนทำเชื่อเป็นเครื่องระดับภายวาจาใจั้งตนด้วยดีพยายามรมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นค่าสุทต่อกายวาจาใจอันสุทเนื่องมาจากความกติษ จะทำกายวาจาใจของเราไมา่เป็นผู้หน้าดูหน้าชมหน้าเดือดใส่พยายามดัด ก, กายวาจาใจของคนของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดูที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับหิือความงามกระทำกายวาจาใจของตนผู้นั้นและคือว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม และคือว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดดื่แกน ต, ตนเองตลอดหมู่เพื่อนนิพพานชนทั่วไปไม่มีวันจีดจางเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับคือไม่ต้องขึ้นเดือนคุนทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะ แต่สามารถจัดประดิษฐ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเสียให้ตนเป็นที่ตึงของตนสมกับคาว่าอัตตาอัตนนโนมัติที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งธรรมบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปลไว้ว่า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 ที่จะควรเป็นสาระแกงสารแก่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นดโดยถ่ายเดียวเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมทำบทที่ว่าอตาหิอตโนนาโถในใจจเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นความลําบากแก่ตนเองดังนั้นคําที่ว่าตาหิอตโนนาโถจึงเป็นหลัก ใจของพระพุทธศาสนาอย่างนิ่ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้จะไปทําการทํางานในการสแสดงหาเรื่องผิดด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนําเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์จริษ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 และรับถ่ายทอดจากเราหรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้ขึ้นมาเป็นอันดับต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่มองข้ามตนหมายถึงทำมหมดนี้เองมีเราทั้งหลายที่เด้ เก้าเข้ามาสู่วงผ้ากาสาะพักให้นามาเป็นดุจจิตของพระถาคพรเจ้าแล้วจงเป็นผู้สำเนกตนอยู่เสมออย่าได้ลืมตนนำข้อวัดปฏิบัติความประพฤติเรียบร้อยโดยเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอดด้วยธรรมด้วยเจตนาที่ดีที่ชอบ มั่นคงต่อข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสปัญหาอาสวะของตนโดยทางความเขียนไม่ลดละผู้นี้แลที่ว่าจะเป็นอัตติอัตโนนาโถด้วยจะเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นเครื่องกระดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี่เป็นธรรมะที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องกระดับทำให้สดสวยงดงามดิตลอดเวลาแม้สีผ้าจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการ อวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนกีสะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็ตามโลกเขาไม่ได้คำหนึ่งในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำหนึ่งถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับผีนกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อมกับหลักของพระธรรมในไหน กลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลาย ม, มีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อสายกราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความร่วมร้อนจะอาศัยผู้มีความร่วมเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไหวบูชา ได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและเย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนันโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้อตสาหะมาจากสถานที่แห่งไกลทละนั้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อะไรเสียดายในเรื่องเวลาความลำบากในชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมอันเป็นข้ออัดข้อทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องกระดับกายวาจาใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความสุขต่องแล ะ, จะเจริญสุขขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้ทำหนึง่ง ซึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกจริงทุกอย่างได้ปล่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้วที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นํามาวัดก็เป็นญาติโยมเขามีจักพาถวายถี่นอกจากนั่นกุติศาลาเขายังต้องคามถนับสนุนจนสุดขีดความสามารถอาหารการกินทุกทุกอย่างทื่ว่าปัดใยสี่แล้วเป็นหน้าที่ ภาระของญาติโยมจะอุปถรัรมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยศี้นอกจากจทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นบุตรปิธาถาโคตรเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้ คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างดิ้น ส, สุดท้ายก็คือหมายทาหมายถึงมรรคผลมิพัทการที่จะก้าวเขา้าถึงมรรคผลมิพานตามที่พระองค์เจา้าท่าประทานไว้นั้นต้องดำเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดำเนินไปตามทาง สายที่โลกโลกเขาดำเนินทั่วทั่วไปด้วยบาทย่างเท้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรมศีลจะเป็นข้อใดพระบินายจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหอ เพื่อทูลพระธรรมวินัยบท น, นั้นไว้เพื่อเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับปรุงศาสน า, า, าด้วยจงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนจิดการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังจิงมัวหมองภายในจิตใจ ใ, ให้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 เพื่อก็เพื่อจะแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่อสังสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมในของพระพุทธเจ้าเลยทุกทุกสิงให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบินธบาตก็เป็นเรื่องสำคัญประจำ หน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการดินธบาตนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฉันก็ให้มีหลักธรรมวินัยเป็นเรื่องคู่กันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ขบฉันให้ทิจนาโดยแยกขายอาหารทุกประเภท ที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้วยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาซักด้วยสัมมาอาชีวะคือได้มาด้วยการบินถมาหรือเขาให้ทานมาด้วยความโมดีบ่อยสุดธิ์ใจเมื่อของเหล่านั้นเข้ามาถึงตัวของเราแล้ว ขณะที่ฉันก็อยากให้เป็นมิจฉาอาชีวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยชี้เลตันหาฉันด้วยการความขนองฉันด้วยความฟุงเพ้อเอือหเหิมในรถในชาติในอาหารปัจจัยในที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกวัาสบงจีวรทุกอย่างนั่นและแม้สิ่งทั้งหลายจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์คิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จริง แต่กิริยาที่บริโภคท้ายสอยกลายเป็นมิจฉาที่ไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบินการก่อนฉันท้าพุทพธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจนาปฏิสังขายโโยคำว่าไปสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตที่จุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทำเอาเฉยเฉยโดยปรชาศจาก การไข่ควรใส่ร่องให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฉันจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาทหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วโดวยความบริสุทธิ์ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่หรือจะกลายเป็นนิสายที่ตัวเจ้าตัวไม่ดูจึงต้องพิจรารณาเรื่องปริสังขายโยนิโสพีรังปิ น, นปาตังให้เห็นจากแต่ว่า เป็นเครื่องเดียวยาธาตุขันหรือบำรุงธาตุขันไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญคมมจันทร์ให้เป็นไปและพอบรรเทาความกวนกวายซึ่งเกิดขึ้นจากความหิวไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงลดถึงชาติไม่ได้มุ่งถึงความอริดอร่อยไม่ได้มุ่งถึงหารจับประณีดบรรจงที่ไหนไม่ได้มุ่งถึงสถานที่ดื้อชาติชั้นบรรณะของผู้มาให้ทาน แต่มุ่งถึงความบริสุทธิ์ใจที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่แหละเป็นอาหารยอดเป็นอาหารที่ประเสริฐเมื่อเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นของได้มาด้วยความประเสริฐตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าขณะจะฉันจึงต้องพิจารณาให้เป็นความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสังขาโยเป็นเครื่องกรรรมพายเรียบร้อยแล้วฉันลงไปกาหนดลงไปอาหาร ที่มาในถ้วยในปิ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่ง<ฮ>เขาผสมเผชิบมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกรวนแล้วตั้งแต่สิ่งผสม<ฮ>จะเป็นแงกงจี๋แกงเผ็ดแกงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทัพสัมพระ<ฮ>เครื่องทําครัวผสมกันเท่าแล้วกลายเป็นชื่อ น, นั้นๆขึ้นมาที่เขานํามาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาทของเราก็รวมเข้าอีก เราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาทมีลักษณะต่างกันอย่างรัรพิจารณาอย่าให้มีความตื่นเต้นอย่าให้มีความติดปกติดใจอย่าให้มีความขยะแขยงต่ออาหารการโดยพวกซึ่งคุกข้าวกันอยู่ในบาทลูกเดียวหรือในที่แห่งเดียวกันแล้วย้อนเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องอาหารที่รวมลงไป ผ่านมุขัตวาลเข้าไปถึง ส, ส่วนร่างกายของเรานั่นยิ่งเป็นการข่าคร่าวหรือเป็นกองประเทวีอันใหญ่โตเพียงจะรวมในบาตก็ยังไม่เท่าไร่ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังคโยที่ท่านตรัสไว้จะมีอุบายแยบคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ ร่างกายหมดแล้วก็ได้ผู้บายแยบคลายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขะแขยงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริธโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามก็กลักจะมาม า, มาเยายาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเหงาแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อ ได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่าไม่มีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาติต้งมีความอเนกอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีเข้ามาคุกเข้าแล้วปรากฏเป็นความอร่อยอร่อยคืนก็สะดวกสมา นี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุท้องเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานํามาเยียวยาไม่ได้เช่นเพชรนินกินนาที่โลกสมมติว่าเป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยียวยาธาตุขันนี้ยอมเป็นไปไม่ได้เพราะธาตุ ข, ขันไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหาเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับธาตุขันธาตุขันจึงยอมรับและจูมค่ากันทันที เป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และแตลอดอันวาา่อาอวสารเป็นไปด้วยความปฏิกูลคุกเข้ากันกับปฏิกูลทางนั้นไม่ใช่อย่างอืน่นใดเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติเราจรึงควรที่แกนาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาททั้งรวมเข้าไปมุขถวานทั้งผ่านลงไป ถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นไหเวลาเข้ามาที่แรกมีสีสันมรณะเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาเปลี่ยนกลิ่นรู้เปลี่ยนโอทารสไปหมดนี่แสดงให้เห็นมากสภาพเหล่านี้ก็เป็นนิพพรินามธรรมมีความแปรสภาพประจำตนเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขาโย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 ใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหเฮิมไม่หดหูภายในจิตใจไม่ขยะขยะแยงต่อปัจจัยทั้งสี่คือกีวรบินธบาเสนาชนะและกิรานาเพสัตเพราะจริงเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเขามาคุกค้ากับส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ไม่ว่าสิ่งใด อาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันทีผ้าที่เป็นผ้าที่มีเนื้อดีและสะอาดเมื่อเ ข, ข, ข้ามาคลุกคล้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิกูลไม่ซักไม่ฟอกถ้าล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิกูลทิ้งหมดทั้งถิวแล้วนุ่งห่มเ่าไปอีกไม่ได้เลยนะเทนารสนะที่อยู่ที่อาศัยถ้าต้องปัดต้องกวาดเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิกูลเป็น เจ้าของดูที่นั่นเป็นประจําจึงต้องในชําระสาสางสิ่งเหล่านี้เสมอ น, นี่หลักการที่ยนาปริสังขารโยไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปริสังขาโยจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทําอะไรย่อมมีความรอบขอบสมบูรณ์ทาอะไรไม่คว่ำผิดพลาดเพราะอํานาจปริสังขาโยส่งกระแส สร้างไปหมดทุกแห่งทุกหนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปริสาทข้โยคือความแยบคายแห่งกันหยาดหนี่งเนื้อหน้าที่ของพระจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรดได้พิจารณาเช่นนี้อย่ามีความข่อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบมาพระพุทธเจา้าหรือสาวกองใด ได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเพราะความชอบแพ้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถดถอไม่ลดถอยความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วมีหน้าที่จะขมักเขม่นเข้มแข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความมุ่งมัานต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงปัด ให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสำคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรให้สำคัญที่เมื่อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลําบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคีบขวางจิตใจ นอกจากจะกแก้ไขแต่ตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตาม ท, ท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นนิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเทในวัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันเทานั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมระพุทธิพน โดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยนี่แหละหลักของพระที่เราจะดําเนินขอให้ดําเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาแล้วในทางอื่นๆนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อทําที่มีคุณภาพประจําจใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามและด้วยความขียนหมั่นเพียรของเราเท่านี้จะไม่มีอันใด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 เป็นเครื่องผักดันไปให้ดำเนินดีกเหมือนเรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียง น, นี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโต ด, ดได้มองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสำคัญเราจะกล้าไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโต ด, ดได้มองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกัน อ, น, อ, น, อนาคตอยู่เบันนี้จุดหายบกพร่องี่แก้ไขในปัจจุบันนี้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 บุคคลผู้นั้นนั่นเลยฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกำลังศึกษาและปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักสำคัญยิ่งจงทำความสนใจใช่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามั่นคงจนหาที่ตาหนิความประพฤติของตนไม่ได้แล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้นจะเป็นเรื่องสมบัติของเราจะเป็นผู้นะครับโดยไม่ต้องสงสยัย นั้นในอวาสารแห่งธรรมะที่สแสดงหมนันขอให้ทุกๆท่านที่ได้ห่างก็ได้มาด้วยความเสน้นอกเส้นใจใคลายต่อธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังกามสติกําลังความสามารถโตดได้นํำปพินิพพ์เพื่แอนาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตถิอตุนาโขนี่ไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึงง่งของโลก ทำโลกให้มีความร่มเยน็นและจะเป็นผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจะได้ยิงขอยุติธรรมเทศนาเปนเานของเจ้า <c oughs>